ซึ่งเป็นอรรถที่แตกออกไปอีกว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยโดยคุณสมบัติ อภิธรรมดีนั้นแปลว่าความยิ่งความใหญ่ยิ่งอินทรีย์แล้วความใหญ่เองนิพพานแล้วความใหญ่ยิ่งไอ้ยิ่งคือไม่ใหญ่ในหน้าที่ของตัวโดยไม่ใช่เป็นการเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ว่าอภิธรรมดีเนี่ยท่านพูด จะกําหนดไว้เองแล้วก็ใหญ่ครบคร่อมกันได้ใหญ่และใหญ่แต่ถ้าเป็นอธิบดีแล้วว่าจิตดวงหนึ่งมี แต่จะมีตัวที่ใหญ่ยิ่งคือมันนี้ไม่ใช่ตาเนี่ยถึงจะตากว่าตาฟัง ปัญญาเนี่ยถึงปัญญาน้อยก็เป็นอินทรีย์บันอย่างแต่ถ้าตันยิงสีนั้นแล้วเกิดมีกําลังยิ่งด้วยมันก็เป็นทั้งอินทรีย์และเป็นทั้ง คือว่าตัวต้นคือก็ต้นอินทรีย์ของมันไปแต่ไม่เช่นมรรคสมังคีหรืออินทรีย์สมังเสมอทําอินทรีย์ที่ เข้าใจหลักฎีพอทุกคนแล้วเนี่ยเวลาทําวิปัสสนาทําสมาธิก็ตามจะต้องรู้จักปรับอินทรีย์ให้สมดุลเสมอ กลับจึงซื้อได้สมรรคเสมอนั้นก็หมายความว่าคนนั้นได้บรรลุ เวลาไปลงมือทําภารกิจศึกษาบางครั้งก็ทําเหมือนเสมอบางครั้งมันไอ้ที่ทําเหมือนเสมอได้แต่มันขั้นนั้นเสมอเลือดเสมอแต่เสมอนั้นเสมอ แม้ในธรรมวิปัสสนายังเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่าง ไม่เสียบุญหรือเสียบุญแห่งการปรับปรี่ให้สม่ำเสมอเลยเพราะว่ายึดตามษาก็คือคือสัมมามะลมะไม่เสียความ ไม่เสียดุนนี่อ้าวไอ้เนี่ยยังไม่ใช่คนเนี่ยมีปัญหานะถ้าบยองให้ฉันเป็นอธิบดีฉันท่านนี่ น่ะเป็นคนที่ไหนก็ไม่รู้มาเป็นไอ้เค้าเรียกว่าเอาไปเอาคนนอกมาเป็นนายกเนี่ยไอ้นอกๆนอกสบายไม่ชวนนอกประเทศเนี่ยไปมันจะไปใหญ่เราเป็นห่วงใช่มั้ยฮะเป็นห่วงอันเนี้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วผม ตั้งปัญหาทิ้งไว้นะเราคงจะมาให้ การบรรยายพระวิธรรมในครั้งนี้ผม 8 ในส่วนที่ควรจะ ที่แปลว่าความเป็นใหญ่ยิ่งซึ่งมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างอยู่ในทางที่น่าจะต้องมี คำร่วมด้วยกันคืออินทรีย์ที่แปลว่าความเป็นใหญ่ 3 กลุ่มนี้มีชื่อคล้ายกันแต่ไม่เหมือน 3 ชื่อนี้ อินทรีย์นั้นเป็นการกล่าวถึงชื่อสภาวธรรมอย่าง 5 ตัวคือศรัทธาวิริยะ อรหันต์ไม่ใช่บุคคลหรือจะเป็นอะไรก็ตามส่วนพละนั้นเป็นเจ้าแห่งการละหรือการทําลายเจ้าแห่งการทําลายแต่ทําลายในเป็นความไม่หวั่นไหวเป็นความไม่หวั่นไหวในกิเลสคือความชั่ว เพ็งก็ไปในทางละกิเลสเป็นเจ้าแห่งการละหรือเจ้าแห่ง ตัวสุทายคือวิมังสาธิปติในธรรมหรือมีจิตตะคือความตั้งใจใน ทหชาตาธิปตินี่เป็นชื่อในทางหลักอภิธรรมอย่าง 2 คืออารัมมนาธิปติทั้ง 2 อย่างนี้ทับพูดกัน จิตที่รู้อารมณ์นั้นบางครั้งก็ไม่ ไปไม่แน่นอนบางครั้งก็มีฉันทะเป็นอธิบดีในจิตดวงนั้นบางครั้งก็มีวิริยะเป็นอธิบดีในเนี่ยอาการที่อธิบดีไปเกิด จุดดวงนั้นชื่อว่ามีสหชาตาธิปติและตัว ซึ่งเกิดร่วมกับปฏิปทานั้นชื่อว่าเป็นสภาวะอารมณ์ 2 อย่าง เรียกว่าอารัมมนาธิปติแปลว่าอารมณ์ที่มีกําลังยิ่งอารมณ์ที่มีกําลังยิ่งเวลาที่ <c oughs> เรียกว่าอารมณ์บุญแรงอารมณ์บุญแรงนี่ไม่ใช่พูดในภาษาโลกอ่าอันนี้ นิพพานที่ไม่มีใครเลยอารมณ์ของมรรคของผลนั้นเป็นอารัมมนาธิปติโดยแน่ นิพพานนั้นเป็นอธิบดีเสมอเป็นอธิบดีในทางอารมณ์และเมื่อใครรู้นิพพานก็จะตั้งเกิดอธิบดีใน 2 แรงบวกคือแรงทางนี่ในเรื่องของ ทางอารมณ์ที่เป็นโลกียวิสัยหรืออารมณ์ในวิปัสสนานั้นบางทีก็ไม่เป็นอธิบดีครับอารมณ์เปล่าไป เราไม่มีความสามารถที่จะไปดึงภาพอารมณ์ไปนอกอารมณ์ ไม่พูดอ่าเพราะเมื่อจะกล่าวให้ชัดลงไปอีกเนี่ยให้ชัดพื้นที่แน่ว่าถ้าเป็นพละถ้าเป็น อินทรีย์ 5 กับพละ 5 นั้นเวลาเกิดเนี่ยมันจะนั้นถ้าเกิดในโลหิยะจิต 5 บางทีมีสติไม่ครบ 5 เช่นว่าบางครั้งเรามีสัตตามีวิริยะมีสติมีสมาธิแต่ไม่มี คือครบเหมือนก็มีว่าจะเกิดครบหรือนะคือหมายความว่า ศรัทธาเป็นจริงปรีแล้วปัญญาก็หมดโอกาสไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือเป็นก็เป็นครบเปลือกเท่าไหร่เป็นนั้นๆเอางั้นแล้วกันนะตัวไหน ครบบังไม่ครบบังครบ 4 นะฮะในชั้นเนี่ยครบ 4 ตัวแต่ถ้าเกิดในโลกุตตระจิตแล้วจะคืออภิบัติ 4 แล้วเกิดครบหมดเลยสังขาร นี่ข้อเหมือนก็คือว่าจะเปิดครบ เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าบางคนเวลาบรรลุมรรค 1 ฉันทะเป็น 1 ของเขา 2 อธิบดีตัวอื่นก็เป็นอธิบดีของเขาใน 3 และบางคนก็ ในที่แก่และบางคนก็เป็นอธิบดีตัวใดตัวหนึ่งใน 4 เวลา เวลาฟังธรรมเอาหรือบางตอนกันแล้วก็บางตอนหรือบางช่วงฉันทะเป็นอธิบดีสังเกตได้นะฮะที่มังสาอาจจะรู้ ไอ้ก็เลยเกิดฉันทาอยากจะเรียนรู้ท้าทายบางคนก็พอไม่รู้ มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากว่าไปถึงโยมกว่า ก่อนที่ผมจะตอบเนี่ยนะผมก็ให้ท่านดาวต่อไปก่อนแต่ผมจะยกตัวว่าบุคคลคือพระสาวกองค์ที่เรา ธรรมยตาฉันทะในที่เรียกว่าธรรมจันตาคือเกิดกัตตุกรรมยตาจันตาคือความพอใจในอันที่จะกระทําศึกษาซึ่งธรรมะนั้นคือการปฏิบัติพระกรรมฐานส่วน อีกท่านหนึ่งท่านนะฮะคือพระองค์หนึ่งนี่ผมบอกใบ้นะฮะท่าน คือมาจากคูบามีวิริยะแรงมากมีความเพียรแรงมากถึงขนาดไม่นอนเนี่ยพวกที่ถืออ่านิสัตถิกังขตุฎงคือถือการนะฮะที่ส่วน ผู้ที่มีจิตตะติดตามการไต่ใจอย่างดีจริงแล้วจริงๆท่านอาจจะปนกับมรรคเอ่อสิริมาโต และทั้ง 1 คือเป็นผู้ที่เอาใจใส่จะเอาใจใส่ในพระพุทธเจ้าเอาใจใส่ในการสดับตรัส สารีบุตรและสารีบุตรความจริงยังเช่นท่านโกฏิตะที่ก็เป็นพวกที่มังสาธิบดีของพระสารีบุตรว่าธรรมใหม่ 4 หรือ 4 5 พูด จุดเน้นคนละจุดกันทําไมถึงมีความแตกอย่างนั้นเราก็ต้องตอบว่าเป็นเรื่องของ เป็นอนุศารีเลวัตตานังคารีบางพวกก็เป็นธรรมอนุศารีด้วยนี่ในเบื้องต้นทีนี้เมื่อเนี่ยบางพวกที่มาด้วยศรัทธา แล้วก็ทําให้บุคคลนั้นได้ปัญญินทรีย์เจริญหรือวิมังสาธิปติ แต่ว่าพอเรามาได้ข้อมูลได้เหตุผลแล้วเราก็ได้ยืนปีตัวใหม่เจริญนอกนามขึ้นทับอินทรีย์ตัวเก่ามันก็ เป็นใหญ่ใหญ่คนนั้นก็ไปเกิดในอวิหาภูมิใครที่มีวิริยะเป็นใหญ่ก็อตัปปาใครที่มีสติเป็นใหญ่เวลาไป <c oughs> ไปเกิดในประถมมรรคฌานภูมิผู้เตียอาจารย์ภูมิกับ ที่เราไม่เอามาต่อกันเนี่ยเราก็ก็ฟังก็ดูเป็นเหตุเป็นผลดีด้วยกัน <c oughs> การทำวิปัสสนาโดยนิปัสสโนเวขาต้องทำให้เป็นกลางพอได้บรรลุมรรคผลมีองค์ขันธ์โทษทรง 7 ประกอบในมรรคผลจะต้องมี คือเหมือนอย่างที่อธิบายในอีกส่วนหนึ่งนะอีกข้อนึงอีกว่าอินทริยะนี่นี่เป็น ทีมจะทําให้เกิดการตัดแล้วจะต้องหาคําตอบที่เป็นคําตอบที่ไม่ทําให้ชวนใดชวนหนึ่งเสียใครได้เออ ไอ้จริงๆคืออะไรแล้วก็ยิ่งหย่อนไหนเอาอะไรมาเป็นแล้วไม่ยิ่งไม่หย่อนแล้วก็มรรคสมังคีมีพูดถึงในระดับมรรคๆก็คือได้บรรลุมรรคผลมรรคก็ มรรคสมังคีนั้นแปลว่าความพร้อมเพรียงขององค์มรรคไม่ได้ 4 ดวงนี้ไม่เรียกว่า 8 เรียกว่า นะนี่จะพูดถึงรูปธรรมตรงนี้อันแต่ 2 ข้อล่างนี่ บุคคลก็บอกถือความเป็นกลางเป็นสภาวะธรรมที่ทําให้สภาวะธรรมตัว นะตั้งเลยเช่นเรือบดเลยเล็กๆจะ เรื่องถึงความเป็นกลางควรจะกําลังแค่ไหนยังไงเดี๋ยวหลายผู้ไม่ชัดเจนกันต่อไปงั้นดิที่ใช้อุเบกขาว่า <c oughs> ความไม่เอียงไปมาความไม่เนี่ยเป็นการ ตถาวิริยสติสมาธิปัญญาว่าจะต้องเสมอกันเสมอ แต่ว่าเรารู้ได้ในความรู้สึกมันก็วัดให้บอกคนอื่นไม่ได้เรารู้ได้ในความรู้สึกว่าตอนนี้มันพอเหมาะพอดีกันสําหรับแต มันผสมดุลกันเป๊ะแท้ๆจริงๆเปลือตอบแต่ทางคําตอบนี้ก็จะเกิดข้อเหมือนลาวเซ่นอะไรสักเส้นมาตี และถือเป็นความถูกต้องเพราะถ้าสมดุลเป็นอย่างนั้นเป๊ะเนี่ยมันจะไป บางคนก็มีสติคนก็มีสติคือความระวังตัวดีการบริบาลตัวดีการทําไหลมีวิญญัตติสติเด่นบางคนก็มีแต่อาจารย์บอกไม่ <c oughs> <c oughs> lambda เป็นจำตอบที่เราสงสัยอยู่อยู่นี้ก็จะต้อง <c oughs> แต่แตกหน้าออกต่างดังนั้นคําว่าคือไอ้ อัมอินทรีย์นั้นให้สม่ำเสมอในลักษณะที่ต่างคนต่างเด่นดีขึ้นมาด้วยกันแล้วมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นหัวหน้าจนเด่นจนตัวนํา แต่กรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบจิต จะตั้งอํานุบํารุงให้มากที่สุดราชบริหารอานาจารรัฐอานาจารราชให้อยู่ดีมี ไอ้ 11 นะนี้คราวนี้เราอย่างเข้าๆก็ผิดหน้าที่ของพระราชาแล้วไม่เอาใจใส่เพราะฉะนั้นก็ควรต้องเอาใจใส่แต่ที่ผิดเช่นไปขูดลึก อย่างนี้น่ะผิดมากและไม่ที่คือตัวเอง 1 อยที่ผมกําลัง ไม่ใช่ทําตัวอื่นให้อ่อนกําลังลงหรือทําลายตัวอื่นอย่างที่ท่านพูดไว้ในคัมภีวิสุทธิมรรคและฮะว่า คือส่วนนั้นคือคนเราเวลาถ้าดีเนี่ยดีเอาเด่นแต่เพียงคนเดียวคนเดียวมันดีไปไม่ปากเหยื่อการต้องเป็นเหยื่อทั้งกิเลสน่ะแต่ถ้าว่าเอาคนอื่นก็หมด เมรุหลักใหญ่อันหนึ่งเนี่ยว่าอินทรีย์สมุจยะอินทรีย์ตัวที่ 1 นะตัดใจที่ 2 ถึง 4 ที่ 5 อีก 4 ตัวตัดอินทรีย์ 1 เป็นตัวทำลายทำลาย อินทรีย์อ่าอินทรีย์ตัวที่ 3 อ่าไอ้กลั่นอยู่ตรงนี้จะเป็นกันนะพักไปก่อนในว่าสมมุติ 1 คือปัญญา <c oughs> มันมีสัจจินทรีย์เรื่องสัจจินทรีย์ในคลานีที่เอาตัวเองเด่นแล้วสง่าเอาตัวเองเด่นมาคิดมันยังไงมันมีกลไกการที่มัน แล้วท่านอาจารย์ก็การยกอินทรีย์ตัวหินคือไม่เอาใจใส่ไม่สนใจเค้าบอกว่าเอานี่มาฟังแล้วๆกันในแต่ละ แต่ว่าเราก็ไม่ไปพูดลงไปตรงนั้นงั้นถ้าเกิดเรามีอย่างนี้เนี้ยเค้าเรียกว่าอาวุธนะเหมือนกับเทียบเมื่อกี้ว่าอราชา เพราะว่าผู้เมียจะกินอยู่ในละแวกบ้าน เนี่ยเขาก็จะ 1 จะเป็นมือปืนข้าให้เราคือในการที่จะรักษาผลประโยชน์เราไว้บำรุงผลประโยชน์ใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ป้องปังอันตรายที่จะตึงเกิดด้านเพราะงั้นด้านหนึ่งจึงด้าน คือในเวลาเราเนี่ยถ้าในขั้นของการถามเราไม่รู้ว่าเรามันเด่นตรงไหนนะแล้วเราก็จะไม่มาจบจ่องว่าจะ มันเราไม่มีหน้าที่ที่จะบังคับเลิศแต่เรามีหน้าๆระดับถ้าระดับ 1 มันก็ <ๆ S 1> อ่านี่คือหลักใหญ่ทีนี้เรามาดูในหลักอย่างอย่างชัดตรงนี้นิดนึงว่าแล้วก่อนก็แล้วกันนี่เป็นหลักสั้นๆ มันจะเป็นความดีก็ตามนะถึงไม่จะเป็นความรอดแต่เพียงตัวเดียวทิ้งคนอื่นเค้าไม่ ธรรมมากับปรัตตาที่ขาดการ เตือนอย่างดีคือเป็นหัวหน้าแล้วก็บำรุงบริบาลตัวหฤทัยนั้นให้เกินอย่างเนี่ยไม่มีคําว่าเตือนครับเตือน แบบไตวะตินั้นถ้ามันมีกําลังมากแล้วมันจะบํารุงมันว่าความ 5 ตัวนี้ความดีตัวหนึ่งมันเหมือนเป็น หัวใจเนี่ยของเราเนี่ยมันสู่จิตมันกลับไปตัวไม่ทิ้งหัวใจนี้ไม่ทิ้งไม่ทิ้งอวัยวะหรืออวดเก่งเกิดมานะนะเกิดมานะกิเลส แต่ความบอดเกินเคยความอิ่มพะยอมอยู่ในนั้นนี่คือ ไอ้ความฉลาดของเรานั้นมันตื้นยิ่งฐีกว่าอื่นไปขี้ตัวซึ่งเป็นการนี้ฮะเป็นเป็นว่าไม่สมังพูดอะไรมาสมังเสมอนี่จึงจึงมีความ เป็นอยู่ตัวหนึ่งโดยแน่นอนอยู่ตัวหนึ่งโดยแน่นอนเพราะฉะนั้นอธิบดีเนี่ยแม้ในวิปัสสนาก็ความสมดุล ที่เป็นประโยชน์แก่การละกิเลสในขาคิดเนี่ยอันนี้ที่ว่าเมื่อกี้จะ ต้องเลยนะเป็นประโยชน์โดยตรงของของศรัทธาๆผม นงหมายหรือไม่ตะวัคคิถามก่อนจะตระรู้นะตอนมาบวชศรัทธาพระพุทธเจ้างงหมายมั้ยถ้าจะบอกว่างงหมายในพระพุทธเจ้าว่าสารีบุตรศรัทธาในพระ แต่อย่างนั้นก็ได้นึกอย่างนั้นแล้วก็ อ้าวแล้วพวกพระภิกษุเจ้าศากวัคคะลีศรัทธาของเจ้านั้นเพราะอะไรที่ เรามีศรัทธากันนี้ก็ 2-3 ปีข้างหน้าก็แตกต่างกันจะได้ความรู้สึกในทางอินทรีย์ที่แตกต่างจึงสมควรมี เอาไว้ได้เลยเน้นเอาไว้ได้แล้วมันจะชักรากโวลอื่นตามสมควรอ่าถ้าอย่างยกสติตัวเดียวก็ยกเนี่ยอยู่ๆมันน่าสติขึ้นยกสติเองก็ต้องอาศัยศรัทธาใคร <c oughs> <c oughs> เข้ามาเป็นเชื้อเข้ามาเป็นที่อาศัยอ่าทุกคนท่านมาอ่านธรรมะรู้ไปปฏิบัติธรรมะแล้วท่านไม่มีศรัทธาเลยอาจารย์ไม่เชื่อเจริญมาทําไมอาจารย์ธรรมะก็บอกว่าอย่าทํา ในเรื่องของการเจริญที่จะถึงได้สติในระดับนั้นๆการภาวนาสติก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างคน ว่ามันทำลายกันยังไงนี่ในลักษณะที่ว่าเอาดีเอาเด่นแต่เพียงคู่เดียวสิ่งใดใดเป็นหนึ่งที่ตัวอื่น เพชรเพชรคำคำหนึ่งนั่นแหละหมดอยู่แค่ทำลายไปไม่หายไปแค่ห่อนดอนลงไปท่านจะห่อนดอนอะไรห่อนแค่ไหนยังไงมันมีรายนะแต่นี้ ศรัทธาและทิฏฐิอะไรเกิดนั่นคือเกิดผลเสียหาอย่างไรเกิดผลเสียหาอย่างไร ตำนานของลิยาที่ต้านอันอันตรายไว้อีกด้านนึงก่อนครูก็บอกว่ามันก็อาจารย์ยกจิตคือปริยามใน อันยามในภาวนาปักตาจิตต่อปากต่อไปดังปักขาปักขาจิตที่ยกจิตใหญ่ในฐานะธรรมอยู่กรรมฐานนั้นต่อไป 52 อ้อมก็ทําลายปักอาณัติคือการตั้งจิตไว้ในอารมณ์กรรมฐาน เมื่อเราเล็กๆในโลกมนธาตุนี้ถ้าสมาธิแห่งอวิชชากับกิเลสทั้งกี่กี่ประมาณนี้ทําได้คือทําในภูมิท่านก็ถูกทํานายถ้าเราทํานายถึงน้ําที่ดีให้หายไปให้หมด <c oughs> ลักษณะที่ถูกกันหลายลักษณะที่เกิดขึ้นการรู้ แต่โดยปุจจาในชีวิตประโยคอะไรว่าตายในเรื่องนั้นเปล่าๆขึ้นไปและในที่สุดเนี่ย เพราะเหตุผลค่าเปล่าๆก็ยังกล้าทํามันกลายเป็นความยึดถือกลายเป็นความวิปลาสไปแล้วฉะนั้นเราเลย บ้าบ้านะก็ฟังดูถ้าเป็นคนที่บ้าบ้าเองน่ะมาอุปจาทํายังไงมันใจใจจะทําอะไรทําแบบนี้แต่ว่าจิตนะ ไม่เคยบอกว่าในแน่อ่ะหนึ่งเพราะว่าอาจจะไม 4 ตัวเนี่ยไอ้ตัวนี้ที่ตามมีตัวนี้แหละ ก็ทําให้ศรัทธาอ่าท่านจะอาคาถาอ่อนมีลักษณะกล้าแบบพี่ตัว อะไรที่มาทําลายปรากฏว่าธรรมอินทรีย์ตัวใดจิตของมันก็ถูกทําลายก็เราก็ทํามันคิดมันไม่เมื่อเรารู้สึกเมื่อเรา เราไม่ต้องมานึกว่าเรานั้นโดนโปเมเดียอะไรว่ายังไงแล้วเราจะทําไม่ได้เรารู้ไม่ได้นอกจากครูบาอาจารย์วิธีที่เรายังไงยังไงโดยไม่เมื่ออินทรีย์ระดับเนี่ยเราต้องดํารงสําเร็จ มันเข้าไปรวมตัวกันแล้วมันขึ้นมาด้วยดุลขึ้นมาที่เริ่มนี้ดันขึ้นมาแล้วดันขึ้นอีกตัวนี้ก็คูณมาดันแล้ว ด้วยความที่มีอธิบดีใดๆก็มีเป็นหลักเป็นประธานในสํานักงานครับมีครับเป็นบทอธิบายที่ โดยลายาต่างๆภาพเกี่ยวกันบ้างเลือดรวมรวมกันบ้างบังสีเลือดเป็นส่วนมากควรผลว่าอย่างนั้นอย่าง โดยคุณภาพของโลกุตตระจิตโดยๆโดยประการนั้นๆในเบื้องต้นนั้นเราก็ชื่อชื่อกล่าวถึงคุณสมบัติของโลกุตตระจิตโดยรุ่นๆโดยรุ่นตั้งแต่เลยทั้งๆกัน บางชื่อเราคุ้นบางชื่อก็ไม่ 18 ที่ ก็คือโลกปรจิต 8 นี่แหละครับที่แปลว่าจิตข้ามบนโลกจิตอยู่เหนือโลก ในโลกของจวงยอดของความชั่วก็คืออวิชชายอด <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต่อไปอนาสวะจิตคือจิตที่ไม่มีอาสวะธรรมจิตไม่มี <c oughs> อันหล่อบริจาคิแต่ไม่ไม่เกิดอัตตวะกิเลสอยู่ในจิตนั้นด้วยเป็นมีก็แน่อารมณ์มาเมื่อตอนเราก็ไม่ไม่มีอยู่เลยเกิดเพียงแต่แต่ว่ายังเป็นอารมณ์กิเลสอยู่แล้วก็มีอำนาจของกิเลสอยู่ในนั้นแต่เราบริจาคิไม่มีอำนาจของกิเลสอยู่นั้นและไม่มีกิเลสใดมาจับมันเป็นอารมณ์ได้มีเฉพาะจิตนี้ <c oughs> เรเรเรเราสึกที่ถึงความหลุดพ้นโดยไม่กำเนิดและไม่กำเนิดอีกทําว่าแล้วก็กำเนิด <c oughs> ด้วยกิเลสนั้นแต่ตันละกิเลสหรือความหลุด มรรคโดยบันทีนิพพานหนึ่งตํมรรคโดยบันที 8 ดวงคือที่ถือความหลุดพ้นโดยไม่มี แต่แม้เราสมัยวิมุตติแต่ว่าหลุดพ้นอย่างถูกจํากัดกันเหมือนกับคนเหล่าเนี่ยเวลาเรามีชีวิตอยู่ไปแล้วต้องทําการละชีวิตเรา มีการทําการและกิริยาทางคุณความดีนั้นเอ่อทําด้วยความตายบางทําด้วยความประมาทบาง เราเรียกว่ามรรคจิตในจิตที่ประกอบกับเอรมรรคผลจิตก็คือจิตที่เป็นผลของมรรคก็จิตนั่นเอง ปรัชญากิจที่ข้างเนี่ยเป็นจิตที่ดีเป็นกุศลชนิดหนึ่งเป็นการทําบุญยุติ แล้วก็กรรมไม่ดำไม่ขาวก็คือโลกุตตระกุศลเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวโดยว่าคือกรรมที่ การเป็นโลกุตตระในทางจิตอย่างเดียวนะครับไม่ให้ผลในทาง คำตอบนั่นคือว่าโลกุตระกุศลมาเกิดแล้วทําอย่างนี้แต่ว่ามันมีส่วนเนี่ยก็เลย คนที่ได้ฌานแล้วก็ไปเกิดในบรมโลกอกุศลบางอย่างถูกฌานปิดกัน โอกาสในการให้ผลของกุศลของ เอาเวลาเวลาไปอ่านเจอก็ขอให้รู้ตามนัยยะนี้กับสามัญญผลพูดถึงสามัญญผลก่อนสามัญญผลเนี่ยสามัญตรงนี้ไม่ได้แปลว่า ถามว่าอะไรเป็นคุณเครื่องความเป็นธรรมนะอ่านี่ก็ยังพูดเป็นภาษาค่อนข้างจะเวลาโบราณแล้วก็เป็นภาษาเนี่ยอะไรเป็น สมณะในพระพุทธศาสนาที่กล่าวโดยปรมัตถโวหารนั้นหมายถึงมรรค 1 คือโสดาบันบุคคลโสดาบัน 4 คือ 4 ชื่อว่าเป็นคุณเครื่องความเป็นสมณะ เนืองหนั่งบรรลุแต่อยู่ที่มรรคใครที่ยังไม่บรรลุมรรคก็ยังไม่บรรลุคุณเครื่องความวิญญูจะยังไม่สร้างแก่นยังไม่ ก็คือผลแห่งคุณเครื่องความปัญญะนั้นตามภาษาแต่ว่าตามองค์ธรรมก็คือสามัญญผลคือ อริยผลหรือผู้ปฏิบัติก็คือว่าผู้ปฏิบัตินะมรรค เป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวปฏิปทาที่ทําให้บรรลุผลนั่นเองตรงนะในอัตตะปาลินีท่านอธิบายอ่ะ ทุละอันนี้เราระปัดคือนิปัชนาทุละเป็นธุละของมรรคแล้ว จึงรู้ความเพียรการประกอบความเพียรหรือการปฏิบัติเช่นอันดาตุละคือคนที่จะทําการเรียน เป็นธุระผลมรรคทําให้เกิดมรรคทําให้ได้มรรคแล้วมรรคนั้นก็ถือเป็นธุระมรรคเวลาเป็นธุระหรือหลายเป็นธุระจิตเป็นตัวเผย บรรลุโสดาปัตติผลแล้วจะทําโดละใหม่ก็ต้องมาตั้งวิปัสสนาทําโดละกันใหม่อ่าเป็นอย่างโลกๆเนี่ยของหนักห่าแต่เราไม่รู้สึกว่าหนัก ภาวนาเนี่ยเป็นธุระกลมบารเป็นธุระกลมบาละถ้าเป็นธุระอื่นที่นอกเหนือคือแสวงหาขันธ์เนี่ยขันธ์นะ แต่แล้วก็ต้องบอกว่าไอ้อย่างเรามันจําเป็นต้องเผื่อมันต้อง อ่าที่สังฆาละปาละคือกรรม 1 ซึ่งถึงที่สุดแล้วกรรมลงหมด ที่ท่านเลือกชื่อเป็นมรรคเป็นผลเฉพาะส่วนที่มักจะเปんใหญ่ยังไม่ค่อย ญาณจักขุหรือธรรมจักขุธรรมจักขุเนี่ยเรายินเพราะว่าเราคุณกับประสูติคือธรรมจักกับอภิธนะสูตรธรรมจักขุเกิดแล้วญาณจักขุก็ทับแปลตามธรรมก็แปลว่าดวงแปลตาม หมายถึงอริยมรรคเบื้องตาง 3 เท่านั้นครับเรียกว่าธรรมจักกสูตรคนบรรลุโสดาปัตติกาตานาคาเรียกว่าบรรลุธรรมจักกสูตรเฉพาะมากแค่ด้วยจิตด้วยอำนาจ สัญญานาจักขุนั้นเป็นชื่อของอาสวะขยญาณคือคู่หนึ่งทัสนมรรคภาวนามรรคนี่ก็เป็นชัดเจนว่าเรียกชื่อมรรคมรรค 4 นั่นแหละแต่ว่าเลือกชื่อต่างกันก็เลยเป็น แปลว่ามรรคคือความเห็นธรรมคือเห็นธรรมเป็นครั้งแรกเห็นแล้วเห็นธรรมเป็นหนดลแรกเป็นครั้งแรกไม่ใช่ว่าหลังจากนั้นไม่เห็นแต่ เจริญในธรรมในขั้นก็อย่างเพียงเหล่าๆขึ้นไปตรัสวันแต่พอไปถึงมรรคผลเนี่ยบรรลุครั้งแรกแล้วเห็นแล้วก็จะสถาบรรลุขั้นต่อๆไปแล้วก็เจริญในธรรมตามเตือนของมรรคที่ตัวใดนั้นขึ้นไปงั้นพัฒนามรรคนั้นองค์ธรรมได้แก่โสดาปัตติมรรคเป็นผู้เห็นตามมาเห็นธรรมตัวนี้คือเห็นธรรมอะไร ไม่ใช่ว่าคุณเห็นผมทําอะไรไม่อย่างนั้นเห็นทําอะไรต่อว่าเห็นอริยสัจจะธรรมถามว่าอริยสัจจะธรรมก่อนหน้านี้ไม่เห็น แล้วก็ล้างตมุติได้ในส่วนหนึ่งก็เพียงพอแต่การที่จะทําให้ เมื่อภาวนามรรคนั้นถ้าได้ยินคําว่าภาวนามรรคเป็นมรรคเบื้องบน 3 ปทนามรรคก็มรรคเบื้องต่ําและอัญญาตาวิน 4 นะ ใหญ่เอาแล้วก็ไม่ไปจะได้ความแล้วก็องค์ธรรมก็พอจะกําหนดได้หน่อยแต่ก็โดยมากก็ไม่รู้คือท่านเรียกไอ้อินทรีย์ตัวนี้น่ะว่าท่านเอาปัญญาเป็นองค์ธรรมนะเป็นปัญญาและในผล มันถ้าเกี่ยวกันอินทรีย์บางตัวก็เป็นเฉพาะมากอินทรีย์เป็นเฉพาะผลอินทรีย์บางตัวก็ตามังกันบทตรงก่อนกันละกันแปล คือคนบรรลุถึงที่สุดรู้รู้ถึงที่สุดความเป็น แต่มันกลายเป็นชื่อที่แต่ยังไม่ถึงที่สุดต้องตีออดความเป็นเหมือนกัน ก็คือสโวดาปฏิผลขึ้นไปถึงอรหัตตมรรคเนี่ยเป็นมรรคผลท่ามกลาง 6 เวลาจําง่ายๆก็คือจําอย่างทีนี้ แปลว่าความเป็นใหญ่ในความในอันรู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้คืออะไรและ <c oughs> ปัญญาที่อยู่ในมรรค 4 ผล 4 แล้วก็เรียกอยากเรียนกัน ในประเด็นที่ 3 เนี่ยนะฮะอยู่ในนี้จะมีข้อหนึ่งคือเสกขธรรมกับอเสกขธรรมเสกขธรรมนั้น เอิ่มเบื้องต้นเจตมรรคผลเบื้องต้น 7 ชื่อว่าธรรมของพระเสขะปรากฏที่ต้องศึกษาส่วนอเสขธรรมคือธรรมของพระอเสกะนั้นได้แก่ผล เราคงเคยรู้มาแล้วนะคือเสฆะอเสฆะบุคคลคือบุคคลผู้ที่ยังต้องศึกษายังไม่อยู่จบปรมาจารย์อเสฆะบุคคลคือบุคคลผู้ที่ไม่ต้องศึกษาที่อยู่จบปรมาจารย์แล้วเอ่อทีว่าที่เรียกว่าเสฆธรรมและที่ได้แปลว่าธรรมของพระของ ตัวเป็นของพระอเสขะของพระอเสขะธรรมะนี้เป็นของใครเป็นของพระพุทธเจ้าหรือใครแล้วเป็นของใครเพราะงั้นคํา อัตตาอันตนิยะคือไม่ได้พูดในลักษณะของปรมัตถโวหารแบบนั้นนามเทพเจ้าถึงได้ประกาศว่าท่านเป็นธรรมสามีเป็นเจ้าของ กำหนดว่าโนกดลจิต 8 นะก็ถูกแบ่งโดยเสกขันโดยอธิษฐานอย่างนั้นที่เรียกแล้วบท 1 ภูมิที่ แล้วก็มาอยู่ภูมิคือแผ่นดินเพราะคําว่าภูมินั้นใน อย่างเราไปเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งในสัง 1 ภูมิการเข้าถึงภูมิ ไปสู่ทุกขติภูมิก็เป็นผลเนี่ยก็เป็นกรรมที่ทําให้บุคคลนั้นถือเหมือน ชั้นอรหันต์เรียกว่าจตุตถภูมิเนี่ยเรียกภูมิเฉยๆทีนี้ถ้าหากว่าจะ แล้วก็เป็นอันว่าบริเฉทที่ 1 แลโดยทางบรรยายเนี่ยจบแต่ในอีกคราว แล้วแล้วมาก็โปรด